น้ำตอนเย็นนะที่เราสาธยายกันทุกเย็นข้อความตอนท้ายก็มีอยู่ว่าขอมูมานอย่าได้ช่องด้วยเดชบุญทั้ง10ป้องอย่าเปิดโอกาสแกมารเทินอันนี้มันเป็นความตั้งใจนะแต่ว่าตั้งใจอย่า ง, างเดียวไม่พอต้องลงมือทำด้วยเราจะไปขอร้องว่ามาร น, นะอย่ามารบกวนนะ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 รบกวนรังควานจิตใจเราได้แล้วมีเรื่องเป็นนิทานนะที่พระติจาเนี่ยเคยตัดสอนภาษาว o นะเป็นเรื่องของนกชนิดหนึ่งชื่อว่านกมูนไถนกมูนไถเนี่ยคือนกที่หากินตามอรอยไถนยในนาเนี่ยนกมูนไถตัวหนึ่งมันไปหากินอยู่นอกถิ่น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 ในถิ่นของพ่อเนี่ยนะก็ไม่มีทางที่จะรอดพ้นนะกรงเล็บของเหย่่ยวได้นะพ่อเหยื่อเนี่ยมีความมั่นใจในฝีมือของตัวมากนกมูลไทยก็ตอบว่าถิ่นของพ่อเนี่ยนะก็อยู่ข้างล่างเนี่ยตรงที่มันเป็นนาที่มีรอยไถเนี่ยนะเหยื่อพอรู้ก็เลยเอานกมูลไายไปปล่อยตรงนั้นแหละเพื่อต้องการพิสูจน์ว่า แม่นกมูลไถยเนี่ยหากินในถิ่นพ่อเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางรอดจากกรงเล็บนะของเหยื่อแน่นะอันนี้พอปล่อยนกมูลไถยลงไปนะตรงที่เป็นรอยไถเนี่ยนกมูลไถก็พู่ขึ้นมาทํานองท้าทายว่ามาเลยมาเลยมาจับฉันเลยนะตอนนี้ฉันอยู่ถิ่นพ่อแล้วมาเลยนะ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 กับมันอย่างไรถ้าเรามีสตินะหรือว่ามีสติรักษาใจเนี่ยก็เรียกว่าเราเป็นอิสระอิสระเหนือมันอิสระในที่นี้แปลว่าเป็นใหญ่หมายความว่าเป็นนายมันเขาบออิสระนี่ไม่ได้แปลว่าไม่เกี่ยวข้องนะคนเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นปุถุชนหรือภาริยบบุคคลหรือภ้ารหารเนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องกับกาม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 จิตอิสระจากการรมไม่ได้แปลว่าไม่เกี่ยวข้องกับการรมนะอ่านี่ต้องเขาเ้าใจอิสระในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันแปลว่าเป็นใหญ่ก็คือเป็นนายถ้าไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องหมายความว่าอ่าอาจจะประพฤติตนเหมือนชีเปลนะือยในอินเดียเนี่ยก็มีนักบวชลทัทธิเชนเนี่ยที่เขาไม่ใส่เสื้อเรียกว่านุ่งลมผมฟ้า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 ปล่อยให้ความน้อยเนื้อต่ำใจเข้ามาครอมงำมันก็อาจจะบงการให้เราเนี่ยทำร้ายตัวเองนะคนที่ฆ่าตัวตายจำนวนมากเนี่ยก็เพราะอารมณ์นะเอากุศลที่มันชักนำคนเราแม่จะรักตัวเองแค่ไหนนะแต่พออารมณ์เรานี้ครอมงำเนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่ทําร้ายตัวเองเท่านั้นแหละเราไม่อยากคนอื่นมาทาร้ายเราไม่อยากคนอื่นมาเบียดบังเรา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 ไปขอขามาพ่อพ่อเสียชีวิตไปแล้วนะแต่เธอก็รู้สึกว่าต้องคลายปมนี้ให้ได้การที่ได้ขอขามาพ่อเนี่ยแม้ว่าพ่อจะไม่อยู่แล้วเนี่ยการได้พูดถึงความในใจนะที่อยากจะขอโทษพ่อที่เคยเถียงพ่อที่เคยคิดไม่ดีกับพ่อเนี่ย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 แต่ถ้ารู้ถ้าสงสัยแต่ครัาหาไม่เจอครัาไม่พบเนี่ยมันก็จะยังคอยปวดเราเรื่อยไปอาจจะจนถึงตายก็ได้เน้ความสามารถในการที่กลับมาดูใจของตัวเนี่ยแล้วก็สอบสวนหรือว่าสืบสวนจนกระทั่งเห็นปมเนี่ยนะหรืออารมณ์อกุศลที่หมักหมมเนี่ยมันจำเป็นมากทีเดียวนะาคำนี้ก็เพีเท่า น, นี้เอากลับฮะ